ถ้าจะทำบุญก็ควรทำให้ครบทุกความหมายถึงตอนนี้ก็เลยถือโอกาสเล่าความหมายของบุญนิดหน่อยคำว่าบุญนั้นมาจากศัพท์ภาษาบาลีว่าปุญญาปุญญานี้แปลว่าอะไรบ้างหนึ่งบุญแปลว่าชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ใจของเรากำลังเศร้าหมองขุนมัวมาพอทำบุญอย่างเช่นถวายทานเพียงเริ่มตั้งใจจิตใจของเราก็สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นการชำระ จ, จิตใจให้บริสุทธิ์ก็คือกำจัดสิ่งเศร้าหมองที่เรียกว่ากิเลสทั้งหลายออกไปเริ่มตั้งแต่ทานก็กำจัดความโลภความเห็นแก่ตัวความมีใจคับแคบตรนีห่วงแหน ความยึดติดลุ่มลงในวัตถุสิ่งของทำให้จิตใจเป็นอิสระพร้อมที่จะก้าวต่อขึ้นไปในคุณความดีอย่างอื่นหรือเปิดช่องให้นำเอาคุณสมบัติอื่นๆมาใส่เพิ่มแก่ชีวิตได้ทำให้ชีวิตจิตใจเฟื่องฟูขึ้นคนที่ทำบุญคือทำความดีจิตใจก็จะเฟื่องฟูขึ้นในคุณงามความดี เพิ่มคูณคุณสมบัติที่ดีๆให้แก่ชีวิตจิตใจของตนบุญนั้นมีมากมายเดี๋ยวจะพูดต่อไปยิ่งเราทำบุญมากเราก็เพิ่มคุณสมบัติที่ดีให้แก่ชีวิตของเรามากภาษาสมัยนี้มีคำหนึ่งว่าคุณภาพชีวิตคนสมัยโบราณเขาไม่ต้องมีคำนี้เพราะเขามีคำว่าบุญอยู่แล้วคำว่าบุญเนี่ยครอบคลุมหมด ทำบุญทีหนึ่งก็เพิ่มคุณสมบัติให้กับชีวิตของเราทีหนึ่งทั้งคุณสมบัติในกายในวาจาและในใจกายของเราก็ประนีตขึ้นวาจาของเราก็ประนีตขึ้นจิตใจของเราก็ประนีตขึ้นปัญญาของเราก็ประนีตขึ้นดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วว่าทำให้เกิดภาวะน่าบูชาบุญนั้นทำให้หน่าบูชาคนที่มีบุญก็เป็นคนที่น่าบูชาเพราะเป็นคนที่มีคุณธรรมมีความดีถ้าไม่มีคุณความดีก็ไม่น่าบูชาที่ว่าบูชาก็คือยกย่องหรือเชิดชูคนที่ทำบุญทำกุศลจิตใจดีงามมีคุณธรรมมาก ก็เป็นคนที่น่าเชื่อชูน่ายกย่องแล้วก็ทําให้เกิดผลที่น่าเชื่อชูบูชาด้วยไปๆไปมาๆเดี๋ยวจะพูดความหมายของบุญมากไปขอพูดเพียงเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าที่จริงศัพท์เหล่านี้มีความหมายมากหลายประการความหมายอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือบุญนั้นเป็นชื่อของความสุข พอทำบุญแล้วจิตใจก็สุขเ อ, อิบอิ่มเป็นความสุขที่ประนีตลึกซึ้งการทำบุญเป็นความสุขที่มีผลระยะยาวไม่เหมือนอาหารที่รับประทานหรือสิ่งภายนอกที่บำรุงบำเรอกายพอผ่านไปแล้วก็หมดก็หายความสุขก็สิ้นไปบางทีพอนึกใหม่กลายเป็นทุกข์เพราะมันไม่มีเสแล้วมันขาดไปต้องหาใหม่ แต่บุญเป็นสุขที่เข้าไปถึงเนื้อตัวของจิตใจเป็นความสุขที่เต็มอิ่มทำให้เกิดปีติในบุญและเมื่อเราทำไปแล้วมันก็ไม่หมดนึกถึงเมื่อไหร่ก็ใจเอิบอิ่มพองใสเรื่อยไปเป็นความสุขที่ยั่งยืนยาวนานอีกประการหนึ่งบุญเป็นสิ่งที่พึงศึกษา พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ศึกษาบุญพุทธพจน์มีอยู่ชัดในคุตการนิกายอิติวุตกะพระไตรปิฎกเล่มย5สิบห้าพุทธพจน์มีอยู่ชัดว่าปุญญะเมวะโสสิกเยยะแปลว่าคนนั้นพึงศึกษาบุญคำว่าศึกษาก็คือฝึกขึ้นมาทำให้ได้ให้เป็น ให้ก้าวหน้าเจริญงอกงามขึ้นไปในความดีและในคุณสมบัติทั้งหลายนั่นเองหมายความว่าบุญนี้เราต้องทำให้เพิ่มขึ้นและประนีตขึ้นเรื่อยๆอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าบุญเป็นคุณสมบัติเป็นความดีทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างรวมไปถึงทางปัญญาเราต้องเพิ่มโดยฝึกขึ้นมา เมื่อฝึกกายวาจาฝึกจิตใจฝึกปัญญาชีวิตของเราก็พัฒนาประณีตงอกงามขึ้นเรื่อยเรียกว่าเป็นการพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาตนเองนี่ล่ละพูดสั้นๆคำเดียวว่าบุญเพราะฉะนั้นบุญนี้อย่าไปยุติหรือหยุดอยู่เราต้องศึกษาบุญมีบุญอะไร มีคุณสมบัติความดีอะไรที่ควรจะทำเพิ่มเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นและทำให้เกิดประโยชน์กว้างขวางออกไปก็ก้าวต่อไปมีฉะนั้นเราจะติดอยู่จมอยู่หรือว่าจะงักตันอยู่กับที่เท่าเดิมคนที่ทำบุญไม่ควรจะติดอยู่เท่าเดิมแต่ควรจะก้าวหน้าไปในบุญ นี้เป็นความหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุญนำมาพูดพอให้เห็นแนวทางความจริงนั้นแต่ละอย่างยังสามารถขยายออกไปได้มากแต่ให้เห็นเขาว่าตั้งต้นอย่างนี้